นี่คือรายการเปิดตรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อพิโซดที่86ครับในเอพิโซดที่86นี้เราพูดถึงเรื่องความโกรธด้วยเราพูดถึงเรื่องสมารท์ทนิดนึงแล้วเราก็พูดถึงการจัดราการของเราและนี้คือรายการเปิดตรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อาตมาพระไพบูุญก็มากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับครับนมัสกัดรครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนวิรุนจากกรุงเทพครับจะพูดถึงเรื่องความโกรธที่เรา ได้พูดไว้เมื่อตอนที่แล้วครับต อ, นะตอนเรื่องเลยนะครับที่พระพุทธเจ้ า, าได้พูดถึงมาตั้งแต่ปฏิฆะขอไปมาตั้งแต่อารติใช่ไหมก่อไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็มาความขัดเคืองมันติดตึกติดตึกอย่างเงี้ยนะติดตึกติดตึ ก, ตตกขัดใจอยู่เรื่อยเหนะมันตัวติดหนามเสร็จแล้วเราก็มาเป็นความโกรธความโทสะในทีนี้เรื่องของความพยาบาทเนี่ยเราไม่ได้พูดไปนิดเดียวทนันเอง ครับนะคือคือโกรธเราได้มาจากโกรธอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันเริ่มไม่ดีละโกรธนี่คือความเดือดเดือด น, นี่มันยังอยู่ในตัวเองมันยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนหน้ า, นาแดงมือสัน่นอะไรพวกนี้นะทีนี้พอโกรธแล้วโทสะนี่คือจะเริ่มออกไปข้างนอกและปรารถนาให้คนอื่นอาอายเจ็บไม่พอใจอย่างเราด่าเขาอย่างเงี้ยก็เพื่อให้เขาเจ็บใจครับนั่นนะคือโทสะที่ออกมาทางปากรครับทีนี้พอพอ อย่างโทสะที่คนถึงทำให้เราเจ็บใจปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีพอเราเดือดปุ๊บเราจะมีความคิดต่อว่างั้นฉันต้องด่ามันกลับเพื่อให้มันเจ็บใจบ้างตัวนี้คือโทสะ<ม>พอเขาด่าเราปุ๊บเรามีอรติปุ๊บคุณไม่มีสตินะไม่มีสติยับยั้งไม่ได้มันโตขึ้นเป็นปฏิกะเพราะที่คุณยังไม่รู้อีงนะว่ามันมีปฏิกะเนี่ยคุณยังไม่มีสตินะมันจะกลายเป<ช>็นความโกรธมันเดือดอยู่ข้างในล่ะเดือดอีกคุณยังยับยังไม่ได้อีกไม่มีความข่มบังคับใจไม่มีสติสัมปชัญญะ ปุ๊บมันกลายเป็นโทสะมันก็อยากจะทําให้คหนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยการด่ากลับเป็นต้นครับแต่ทีนี้นอนนพอตรงจังหวนะนั้นมันยังด่ากลับไม่ได้เลยมันยังด่ากลับไม่ได้นีนมันก็เลยจะมีความคิดแล้วมีความคิดแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้เนี่นก็หาช่องอยู่ว่าเมื่อไหร่จะทําได้ตรงเนี้ยต่อไปเนี่ยจึงเป็นพยาบาทอ๋อพยาบาทนี่คือเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ยก็บคนรอรอจังหวะ เราจะหมาที่จะออกมาออย่างคนที่ไม่ชอบกันกลับเสร็จปุ๊บฉันวั น, นวันนี้แหละเป็นวันตายของแกน ะ, ะกลับไปบ้านรับมีดอย่างดีกะจะมาเสียบไปหมอนี่มันพูดไม่ดีกับเรารไหนบางนะเขามีจิตพยาบาทตลอดเลย<อ>มีจิตอ่าคือมันไล่โมงหมดแล้วนะโทรศัพท์ก็คิดปรสุร า, ายแล้วแต่ยังทําไม่ได้นะแต่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะเราก็มีความพยาบา ท, ทําต่อเนื่องรับมีดไปนี่พยาบาทตลอดเลย S <S อหวันนี้นะคือความพยายามนะครับอย่างเรานั่งสมาธิอย like ่างเงี้ยหมอรัตพงศ์เราก็คิดถึงรเรื่องที่คนนี้ทําให้เราไม่พอใจอยู่เรื่อยเออครับมันพูดขึ้นมาอ่าพยายามนะครับพยายามนะเ อ, าอ่าคือคือหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเขาไม่ทําให้เราไม่พอใจแล้วเราคิดว่าจะทําอะไรให้เขาไม่พอใจสักอย่างเดียงหนึ่งไอ้หน้าหมอนี้มากลับมาอยู่เรื่อยๆนั่นน่ะนั่นคือความพยายามเป็นหนึ่งในนิวรณ์ทั้งห้าที่เจ้าให้ละ อ๋อ ใ, ใช่ครับอืมพยาบาทแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปหาเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆแล้วถามว่าในมันไม่มันไม่ใช่พยาบาทมันเป็นพยาบาทไงเราถึงที่จะต้องละเขาอืมเป็นคิดซ้ำซากที่จะมาวนเวียนวนเวียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ่อมันก็ย้อนกลับมาเนื่องจากอํานาจอของของความที่เราปล่อยวางไม่ได้ยังมีพยาบาทอยู่ในใจครับไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเราได้พูดถึงเรื่องของทางแก้หรือเปล่าเอ่อ ยังยังยังไม่ค่อยชัดครับ ย, ยังไม่ค่อยชัดอ่ครับพู<ก>ดตอนนี้ได้ครับพยาบาทนี่แหละเ น, นเรื่องเวลาที่เราเกิดพยาบาทขึ้นแล้วเนี่ยนะแล้วเราจะมาดับด้วยการแผ่เมตตาเนี่ยมันก็จะจะเรียกว่าคือมันจะได้ผลน้อยเพราะว่าเราสติเนี่ยเราไม่ได้มีมาตั้งแต่ตอนที่มันมีอรติเกิดขึ้นแล้วใช่ครับทีนี้นพอเ ร, เราสติ ม, ม, มันไม่มีไม่ไวพอไม่ละเอียดพอที่จะเจออรติด้วยซ้ํา นะไม่ละเอียดพอแล้วไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันด้วยซ้ําทีนี้พอพยาบาทมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะใช้อํานาจของสติที่จะให้มันดับไปส่วนใหญ่มันจะดับไปเองนะก็ด้วยอํานาจของความไม่เที่ยงของมันเองยังไงนะครับไม่ไม่เที่ยงก็คือก็คือพยาบาทมันก็ไม่เที่ยงใช่มมันก็เปลี่ยนแปลงการคิดเรื่องอื่นคนมีปัจจัอย่างอื่นเข้ามาหนักมากกว่า อ, อย่างบางคนมีพยาบาทโอ้ย ไม่ดูแล้วหนังเรื่องนี้หรือข่าวเรื่องนี้ไปดูหนังนะไปไปสปาไปคือเปลี่ยนพัษนา ต, ตัวเองอ๋อมันก็เปลี่ยนไปละเหมือนเปลี่ยนนิมิตแห่งจิตของตนอย่างนง้นหรือเปล่าครับเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนห่วงความคิดว่างั้นเปลี่ยนห่วงความคิดเปลี่ยนนิมิตอย่างนี้นะเปลี่ยนเรื่องคิดไปอันนี้อาจจะทำด้วยอานาจของกามที่มาดึงเราไปหรืออาจจะทำด้วยความกุศลบายที่คุณต้องการจะออกจากพยาบาลก็แล้วแต่ อันนี้คือแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของพยาบาทัตมผมนึกถึงตัวอย่างอันหนึง่ง เ, เช่นสมมติสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะ ก, กันอยู่แล้วก็มีอาจจะมีกระถางต้นไม้ของข้างบ้านลอยมาตุม้มตกใจหยุดทะเลาะกันชั่วคราวหยุดทะเลาะเลยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนคงเคลื้ยงของใหญ่มาครับ <laughs> พอได้ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าเออมันมันมีการออหยุดไปครับ ทีนี้อันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ที่จะแนะนําให้ทำํำประเด็นที่จะพูดถึงก็คือว่าเวลาที่พยาบาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ค่อยเสื่อมไปอะไรไปะนะครับบุรุษเจ้าพูดถึงนิวรณ์เนี่ยพยาบาทจะลดได้ด้วยการปฏิฆะนิมิตเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันนะแล้วก็อย่าไปทําในใจให้มากซึ่งปฏิฆะนิมิตถ้าเราทําในใจให้มากซึ่งปฏิฆะนิมิตแล้วพยาบาทมันก็จะยิ่ง เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้น เ, เราต้องมีเจริญเมตตา ม, มาแล้วแต่ก่อนพระพุทธเจ้ า, บ, าบอกว่าเมตตาเจโตมิมุตเนี่ยอันบุคคลเจริญมาแล้วแต่ก่อนทําให้มากทาให้เจริญถ้าไม่เป็นดุจยานเครื่องนําไปถ้าไม่เป็นเหมือนที่อาศัยได้ทําไว้หนึ่งหนึ่งประรบสั่งสมโดย ร, บรอบคอบนะคือประเด็นคือคุณต้องทํามาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆรงแรกเลยยังไม่ได้ลุกโชนมากใช่ัชอรติเราอาจจะตั้งความพอใจควาไม่พอใจเอาไว้ได้แต่ปฏิฆาเนี่ยจะไม่เกิดละ เพราะว่าเรามีการทำในใจไว้มากซึ่งเมตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นอพอความเกิดเกินไม่เกิดความเดือดดาลความคิดปิดเบือร้ายความพยาบาทต่อเนื่องไปก็เลิกพูดไปเลยมันก็ดับไปด้วยครับ อ, อย่างที่บอกครูบาอาจารย์บอกว่าความกโกรธเนี่ยดับได้ด้วยการแผ่เมตตาก็คือคําอธิบายที่ท่านกล่าวมาใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนีอ้อย่างเรื่องความโกรธกับการพยาบาทเนี่ยเราชี้ถึงความแตกต่างอนะ อยายบาต ก, <ช>ก็คือความโกรธที่ยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆ<ช>นะความโกรธตรงนี้มันก็มีดีกรีมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ความพยาบาท<ม>นี่คือหมายถึงมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิบปียี<ม>่สิบปีแล้วก็ยังคิดอยู่นะ<ม>ก็ยังมีเรื่องนี้ยังตามมากวนใจอยู่ยังมาเป็นนิวรเครื่องกางกาั้นเราอยู่<ช>นะมากน้อยก็แล้วแต่ระดับขั้นตรงนี้นทีนี้เราพูดถึงความความโกรธเนี่ย เ ร, รเรามาพิจารณาดูสมมุติคนนี้มันชั่วมากๆเลยทําให้เราโกรธมากๆเลยเราครแค้นมันมากๆต้องฆ่ามันโดวยวิธีการที่สับให้เละเป็นผุยผงแล้วให้มันเกิดมาใหม่ฆ่ามันแล้วอีก10ชาติ10รอบถึงจะสะใจโอโ้นี้ โ, โ, โกรธมากชั่วมากนะ ค, ค, ความพยาบามของคุณรุนแรงมากมทีนี้พอเขาขสมมุติเคือทำอะไรให้เราสักอย่างใดอย่างหนึ่งอนะเช่นตีเรานะหรือว่าทําสิ่งที่ให้เราไม่พอใจ ครับนะดยการที่ด้วยการที่ทําอย่างเงี้ยเราแคสก็มากอทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับสมมติเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะมีใครสักคนใดคนหนึ่งมาเดินชนเราครับถ้าโดนเรานิดนึ่งปุ๊บเนี่ยเดินสวนกันเนี่ยนะหมอรัตพงศ์เดินในทางทุบแล้ชนอะไก็ตุ้มเนี่ยถ้าโดนโดนนิดหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มอ๋อไอหมอนี่ทำไมทำงี้นะมันมันไม่ดูตามมาตามเรือทามันก็กว้าง แล้วมันต้องดึงกับมาดาบิดาเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือเราโดนนิดหน่อยนะโดนนิดหน่อยออทีนี้ถ้าเรารโดนโดนจนกระทั่งเราเป็นแผลหนักอืหนักละครับเราจะเริ่มไม่คิดตรงนั้นแล้วนะเราจะเริ่มมาคิดถึงตัวเราให้มากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยต้องรักษาแผลก่อนต้อง ร, รักษาสมมุติเดินอเดินชนการหรือโ ด, ดนอคุณวางมีมีดวางอยู่ที่พื้นอ่ะ เราหลบได้เฉียนนิดเดียวเราก็จะคิดว่ามันใครมาทําต้องเป็นไอ้หมอนี่แน่เลยแมนทําไมเขาไม่รู้จักดูแลแม่แมบ้านเริ่มเริ่มคิดไปแล้วนะอย่างนี้ต้องตัดเงินเดือนอันนี้เพรารเราเราโดนนิดนึงเราคือเหมือนกับไม่โดนอแต่ <นะ S 1> <ๆ S 2> ทีนี้สมมติคนที่เอามีดวางไว้ที่พื้นเนี่ยปรากฏคุณโดนเหยียบเหยียบปุ๊บเลือด ก, กระโชดเลยเล<อ>ือดออกแล้วคุณจะมีความคิดเรื่องนั้นน้อยลง เราจะต้องมาเทคแคร์ไอ้เจ้าขาของเราที่มันเลือดออกมากกว่าอืมดูแลแพ้กรรไกรทีนี้ทีนี้ความคิดตรงนั้นมันก็ยังจะมีคิดแวบๆอยู่อนะว่าใครมาทําอย่างนี้ทีนี้หนักขึ้นไปอีกสมมุติเราไปเดินเหยียบมีดอย่างเงี้ยซิมารู้ใครทิ้งเอาไว้ล่ะปรากฏว่านิ้วหลุดเลยนิ้วขาดออกมาเลยหมอรับผงครับมันต้องไปโรงพยาบาลนะออืม่ถ้าระดับนี้เราต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อน นะเพื่อเพื่อที่จะรักษาไอ้เองใครมันวางไว้นี่เราจะไม่ไม่ได้กินนะยังไม่สนใจยังไม่สนใจแล้วนะคือถ้าหมอมารักษาเอ้าคุณไปทําอะไรมาเออหมอหมออย่าเพิ่งรักษาเลยเดี๋ยวไปหาก่อนว่าใครทําฉันเฮ้ยมันมันไม่ถูกกันนะอืมมันใช่ครับเขาต้องรักษาก่อนหมอจะไม่ได้แกลเลยว่าคุณไปทําอะไรมาโดยอุบัติเหตุอะไรใครเป็นคนขับไม่ได้แค่งานอยู่ตรงหน้าแผลอยู่ตรงหน้าคุณเคลียร์ก่อนใช่ไหมต้องห้ามเลือดก่อนต้องทําเย็บแผลอ่าคือคือเข้าโรงพยาบาลละ ทีนี้ท่านหนักขึ้นนะจนจนใกล้ตายคือหมว่ า, า ห, หมอก็รักษาไม่ได้สาหัสมากๆคือ ICU อย่างเดียวเนี่ย ค, คนที่เขาโดนเนี่ยลอ่อแล้วนะนี่คือเราก็พูดถึงอาจจะกรณีที่ว่าคนทำของตกจากไซต์ก่อสร้างอย่างเงี้ยโดนหัวปุ๊บน็อกแล้วก็ตื่นไม่ที่อยู่โรงพยาบาลพูดอะไรไม่ค่อยได้รู้ตัวนิดหน่อยอย่างเงี้ย นะถ้าเรายังใส่หมวกกันน็อกอยู่ของโดนเล็กๆ น, ๆนิดๆเนี่ยเราก็จะเฮ้ยคุณต้องระวังสิทำอย่างนี้ไม่ได้นะโดนแตะเงินเดือนนี่คือโดนนิดๆหน่อยแต่พอเป็นแผลปุ๊บคุณต้องรีบไปห้องพยายบาลกันล ะ, ะแต่เราพยายามาตรการป้องกันจะเริ่มคิดมากขึ้นนะทีนี้พอเข้าโรงพยาบาล น, นี่เราจะต้องอย่างที่ว่ามันค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นนะทีนี้จนกระทั่งว่าเราจะตายละนะคือโดนหนักมากเลยคนนี้ของชิ้นใหญ่ตกมาพู่มน็อกแล้วก็ <S <S เห็นนิดนึงว่าใครเป็นคนทำแล้วก็รีบไปเข้าโรงพยาบาลเราจะปลงได้มากขึ้นเพราะเราใกล้จะตายแล้วครับทีนี้อาจารมากำลังจะยกตัวอย่างสุดท้ายในเคสเดียวกันว่าถ้ามันหล่นลงมาตุ้มแล้วคุณตายขาที่เลยอืมอาจจะแทงปูนแทงปูน ล, ลงมาตุตา้มตายขาที่เลยเนี่ยนะครับจิตเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่คุณจะตายณวิญญาณทีนั้นเน่ะ ค, คุณจะต้องรักษาจิตให้ดีละอืมอันนี้อาารย์ลังจะยกประเด็นดีว่าพอความตายมันไม่ใกล้มาถึงตัวเนี่ย เราจะไม่คอยระวังจิตจนกระทั่งต้องเป็นแผลละ<ม>ต้องเข้าโรงพยาบาลละหรือว่าขณาดที่ว่าปางตายถึงจะค่อยมารักษาจิตกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยต้องรักษาจิตตั้งแต่เหมือนกับตอนที่เราโดนแล้วน็อกขาที่เลยตายขาที่เลยให้ปฏิบัติเสมอกันใช่ใช่ครับคือพอ<ม>เราโดนนิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยเราจะมาเดือดดานด่า ค, น, คนนู้นคนนี้ มันไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกคุณจะต้อง ร, รักษาอย่างนี้ให้ไปตลอดเพราะว่าตอนนั้นถ้าสมมติคุณตายไปเลยคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่ดีอืมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักษาจิตของเราให้เป็นอย่างนี้คือจะต้องมีเมตตามาแล้วแต่ก่อนมาอยู่ก่อนแล้วแต่เราก็รักษาอย่างนี้ตลอดต่อให้เราปางตาย ในไอซียูเราก็ยังรักษาจิตของเราเป็นอย่างนี้เราเข้าโรงพยาบาลธรรมดาทาแผลธรรมดาเราก็ยังต้องรักษาจิตให้เราอย่างนี้เราเป็นแผลนิดหน่อยเราก็ต้องรักษาจิตให้เราอย่างนี้เราเฉียดไปเราก็ต้องรักษาจิตให้เราอย่างนี้ออื่าเพื่อที่จะให้เราจิตเราเป็นอย่างนี้จะได้ไม่เป็นอกุศลใช่ทีนี้ความโกรธเนี่ยบางทีมันเกิดตรงนี้ด้วยเช่นว่าอย่างลูกลูกาคนลูกเล่นอะไรสักอย่างหนึ่ง นะที่มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมนะถ้าเราไปไปห้ามเขานะห้ามเขาด้วยความกโกรธหรืออะไรสมมตุติตํารวจไปห้ามคนซื้อของข้างถนนครับโอ้ก็ จ, จอดขายข้าหลามอย่างเงี้ยข้าวหลามขายข้างถนนได้ไม่หมดเลยครับหรือว่าสมัยนี้ในกรุงเทพเขามีกล้วยแขกอยอดยิ้ดเลยอ่าครั บ, รบก็มีคนไปห้ามตํารวจไปห้ามนะคุณห้ามขายนะไม่ได้นะ ตำรวจจับนะคุณต้องถูกปรับอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือห้ามด้วยความโกรธครับทีนี้มันมีวิธีห้ามอีกอย่างหนึ่งคือห้ามด้วยความเมตตาก็ได้ในทุน อ, อา้าวคุณถ้าคุณไปขายเนี่ยนะคุณจะมีเสี่ยงอุบัติเหตุนะและสารพินในถนนอะไรต่างมก็ไม่ดีคุณอย่าทำเลยพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เ, เพราะนั้นเราก็จะเลือกสิเราเลือกเอาไปวิธีไหนสักวิธีหนึ่งที่มันไม่ต้องโกรธนะห้ามด้วยเมตตาอืยังมารดาบิด้อย่างเงี้ยตำรวจจะไป มาดาบิดาจะไปห้ามลูกลูกในสัากการที่เล่นโซนใ น, นทันที่จะด่าลูกว่าลูกแล้วก็พูดดีๆก็ได้มีเมตตากลุก่มลูกเดี๋ยวมันจะเจ็บนะมันไม่ถูกนะ เ, เดี๋ยวจะสอนวิธีเล่นที่ถูกให้ดีให้อย่างนี้ก็ได้อืมนะครับหรือตํารวจไปห้ามแม่ค้าขายของเงี้ยริมข้างถนอนอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีมาตรการที่ว่าเออให้มีความเมตตากรุณาในการที่จะเฮ้ยการจราจรติดขัดนะโอ้ท่านรถมันมาคนหลับใหนนี่คุณคุณตายเลยนะคุณจะต้อง คอยระวังตรงนี้นะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีนะไว้เงี้ยครับอือันนี้ถึงจะถูกอืมอืออืออือแสดงว่ากรณีที่จะพลิกกลับมาว่าจะห้ามด้วยความเมตตาเนี่ยตรงนั้นต้องเกิดสติขึ้นก่อนแล้วนะครับใช่คือเราเราคิดว่าเอ้ากฎหมายเขาออกมาอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ได้ไงคุณทําไม่ได้นะอันนี้คุณกดนะนะอืมคุณยึดติดในกฎหมายนะครับอ่าคุณมีอรติ ในสิ่งที่เขาทําผิดกฎหมายคุณมีรติในสิ่งที่เป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องกลัวซะสิใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งเมตตาไว้ในชีวิตสัตว์ชีวิตคนในความกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะไปห้ามเขาด้วยความปรารถนาที่ให้เขาพ้นทุกข์จากการที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในริมข้างทางอืมเพราะอะไรเพราะเราตั้งจิตเอาไว้ด้วยเมตตาอืมอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทมันมองแล้วพเข้าใจไหม เข้าใจครับอันนี้แหม่ชัดชัดเจนทั้งเรื่องของการเลี้ยงเลี้ยงดูบุตรด้วยถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ด้วยความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งรติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออรรติอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กมันต้องเรียบร้อยนะแกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะเราเราจะมันจะต้องไหลไปตามผานนั้นแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์นะเรายังมีสติอ่อนบ้างแก่บ้างนะอินทรีย์คือสติพัดผัดเปลี่ยนไปบ้างตามสิ่งที่มากระทบเพราะมันต้องมีหลุดไปบ้างมีขัดเครื่องบ้าง ควบคุมไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ที่ความเมตตาคือจบเลยพอหัวใจไม่พอใจย้อนไปก่อนเลยครับเอเพราะเราจะปรารถนาให้เขาพ้นจากตุกอืมด้วยการห้ามนี่คือลักษณะของกิเลสที่คือโทสะทีนี้ทีนี้อย่างสมมติอย่างพระพุทธชจ้าอย่างเงี้ยับปไบอกให้บอกให้คนทําทํำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบอกให้ทานให้ถวายทานนะการให้ทําเป็นสิ่งดีนะ ครับ <S <S อเอ๊ะบอกด้วยจิตอะไรบอกด้วยจิตแบบไหนสมมุติพระสงฆ์บอกให้คนอื่นให้ทานเนี่ยด้วยจิตแบบไหนด้วยจิตว่าต้องการลาบหรือเปล่าโลภืิสิตาอันนี้กำลังจะพูดไปถึงกิเลสตัวที่สองคือโลภะอ๋อโลภะใช่หรือว่าเจ้าโลภะเนี่ยความโลภคุณบอกให้คนให้ทานเพราะโลภตัวเองอยากได้จึงบอ ก, ใ, อกให้คุณให้ทานแล้เราเป็นผู้รับทานเราก็บอกให้คุณให้ทานสี่เพราะต้องการลาบอย่างนี้เป็นต้น ครับนะนี่คือโลภะไม่ดนะีแต่ถ้าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้คนได้บุญนะเราจึงบอกให้เขาทำอืมอ่าครับมันก็มีตรงกันข้ามไงอย่างเราจะดับความโกรธด้วยความเมตตาเราจะดับโลภะเนี่ยนะี่พระเจ้าก็บอกให้คิดถึงความไม่สวยงามของไม่สวยงามของที่เอ่อไม่ได้เป็นจะทาอะไรให้เราจเจริญใจนะเพราะเราไปคิดถึงตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย ความต้องการที่มีก็คือว่าต้องการให้คนได้บุญครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเราได้หรือเราเราไม่ได้หรือเราเสียเข้าใจไหมอย่า ง, ยางโกรธเนี่ยต้องการให้เขาเสียครับใช่ครับแต่เราแก้ด้วยเมตตาคือเราให้ให้เข้าใจไหมอย่างบอกให้ทำบุญอย่างเงี้ยบอกให้ทำบุญเนี่ยรเราคิดว่าเขาจะต้องเสียเสียเงินให้เราแต่เราคิดว่าเขาจะต้องได้คือได้บุญเออเข้าใจมใชัมันมีมองได้ทั้งสองมุม ครับเราจะเอามูลไหนล่ะครับในในการกระทําเดียวกันแต่มองได้สองแบบใช่ครับอย่างบอก<ม>ให้นิ่งอย่างเงี้ยบอกให้นิ่งครับคุณนิ่งเพราะอะไรคุณโง่ล่ะหรือเป็นโมหะโมหะคือโง่ใช่ครับใช่ไหมหรือบอกคุณบอกให้นิ่งเพราะฉลาดอย่างพระราชา้านิ่งอย่างพระร า, า้าอืมอะมันได้ทั้งสองแนวพเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนิ่งอยู่บอกว่าให้ทําอยู่หรือบอกให้หยุดอยู่เนี่ยมันได้ทั้งมาจากทั้งความโมหะ โลภะแล้วก็โกตะทั้งนั้นในขณะที่เดียวกันนะเราก็เราบอกให้เขาทำห้ามเขาหยุดให้เขาห้ามไม่ให้เขาทำเนี่ยก็ด้วยความเมตตากรุณาก็มีหรือบอกให้เขาทำเพราะว่าต้องการให้เขาได้ก็มีหรือบอกให้เขานิ่งเพราะด้วยความที่มีวิชาเกิดขึ้นก็มีครับใช่ครับเเมื่อต ะ, ตะกี้มีประเด็นเรื่องของโลภะที่บอกว่าบอกชวนคนใหมาทาบุญเนี่ย ในอย่างพิกษุชวนคนให้มาทําบุญแต่ว่าถ้าเกิดจิตของท่านเนี่ยอเหมือนกับว่าชี้ทางบุญบอกทางสวรรค์ให้อ่าหน้าที่องคพิสูจน์นะหมอรัตพงศ์ครับแต่ว่าชาวชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านมองมองเจตนานี้ผิดไปเนี่ยอันนี้พระจะก็คือไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครใครจะคิดใช่ไหมครับคือบ้านเนี่ยชี้ทางอืมครับก็แล้วแต่ใครสะคิดนะ มีรูปแบบของการบอกให้สร้างบุญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเออถ้าอกว่าไม่ได้อ่อขอเขาเดี๋ยคนที่ไม่ได้ปรณนาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ก็จะไม่ผิดระบบศีลของมันก็ต้องอยู่ในมรรคแปดอะถ้าบอกให้คนสร้างบุญนะนะจำเราทูปพระเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบอกให้สร้างบุญก็คือเป็นเป็นหน้าที่ของพระเนี่ยบอกทางสวนให้ทางสว่านคืออะไรหมอพระงเดี๋ยคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะ เป็นผู้ที่ชื่อว่าถูกตัวเหมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไว้ใ้สวรรค์ด้วยการที่มีสมาธิธิเยอืมสมา ธ, ธิก็ชื่อว่าการให้ทานมีผ ล, ล, ผลนะดังนะั้ะเราก็จะบอกเออการให้ทานมีผลนะให้ทางแล้ดีนะเราก็จะพูดอย่างนี้งงครับอันนี้ก็คื อ, อชี้ทางสวรรค์ให้นะครับอ<า>ันนี้ดีครับแต่แต่ถ้าบอกว่าถ้าทําบุญแค่นี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมครับท่านอืมอันนี้มันอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เหมือนกันนะนะ มีพูดถึง ท, ที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นจำได้ไหมที่บอกบว่ า, าคุณให้ทานด้วยจิตใจที่เรียกว่าการการให้ทานเป็นสิ่งดีาคุณไปสวรรค์จันนีเข้าใจไหมแต่ไม่ได้บอกปริมาณไงไม่ได้ระบุถึงปริมาณแต่ระบุถึงเหตุปรารบเหตุอะไรในการให้อย่างที่เราคุยไปเมื่อตอนที่แล้วถ้าคุณปราล บ, บมาดาบิดาคุณไปสวรรค์จันนี้ถ้าคุณปราบรบฤศีคุณไปสวรรค์จันนีอ๋อใช่ใช่ใช่เจ็ดแบบ อ่าปรารภด้วยความที่เรียกว่าโอ้สมณะพวกนี้หูหหาอาหารกินเองไม่ได้เราหูหงหาอาหารกินเองได้เราควรจะให้อคุณเงินไปส่งชั้นนี้นี่คือที่<ม>พระเจ้าบัญญัติไว้โอ้อแต่แต่ไม่เกี่ยวว่าถ้าทําบุญอ่าหมื่นบาทได้แค่ชั้นนี้นะหนึ่งแสนบาทได้ชั้นสูงขึ้นหนึ่งล้านบาทสูงสุดอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับคือตัวจํานวนเม็ดเงินจำนวนเงินเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอพระเจ้าก็พูดถึงเอ่า จำนวนพูดถึงอยู่จำนวนคือจำนวนอะไรคือปริมาณของศรัทธาที่คุณมีกับปริมาณของราคาโทสะ ข, ของผู้รับนี่คือพูด า, นาึงประมาณอยู่ใช่ครั บ, ค, รบคือราคาโทสะโมหะของผูง้รับมีปริมาณมากหรือน้อยหรือไม่มีเลยนะถ้ามีปริมาณมากบุญ น, นั้นก็ได้ผลน้อยถ้ามีปริมาณน้อยคือราคะโทสะโมหะนี่นะมีปริมาณน้อยจนกระทั่งไม่มีเลยเนี่ยวันนี้ได้ผลมากอปริมาณศรัทธาของคุณมากหรือน้อยถ้าปริมาณศรัทธาของคุณมากผลที่จะได้รับมาก ถ้าปริมาณสัต์าคุณน้อยผลที่จะรับก็ น, น้อยเพราะฉะนั้นถ้าหมอรัตงจะพูดเรื่องปริมาณผู<อ>้รู้จักก็พูดอยู่ในเรื่องปริมาณของศรัตวาเรื่องปริมาณของผู้รักษโทสะหมา ข, ของผู้รับแค่นั้นเองครับ อ, อย่างนี้คนที่ฉลาดทําบุญก็ต้องเลือกก็ต้องทราบก็นหนี<อ>ข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับนี่ก็ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องความโกรธอยู่นะเราลองพูดถึงเรื่องความโกรธอยู่ครับปัญหาที่จะมาได้พูดถึงเนี่ย อไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าที่พูดถึงไล่มาตั้งแต่เราถูกอะไรในในที่ทํางานอย่างเงี้ยเช่นว่าในปรเนไซต์ก่อสร้างมันถูกอะไรตกใส่เนี่ยตั้งแต่เป็แผลนิดหน่อยจนกระทั่งถึงตายขาที่เนี่ยนะอืมจิตของเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในภาวะที่เกิดขึ้นนั้นๆทีนี้ทีนี้เราเรามาดูนี้อยู่ อ, อย่างอย่างหมอเนี่ยเขาเอาเลือดมา หมอรัตพงศ์เคยไปหาหมอใช่มใช่ครับเขาเอาเลือดไปตรวจหมอรงศ์มีอะไรล่ะคอเลสเตอรอลเท่าไรเขาต้องเจาะเลือดไปดูตอนที่เขาเจาะเลือดไปดูเนี่ยเขาต้องตรวจแยกเลือกเลือดออกมาเเป็นเชลเลตเขาเรียกว่าเม็ดเลือดใช่ไหมแยกไขมันออกไปแยกพวกฟอสโฟรัพคาอะไรต่างๆเอ๊ะเราพอเรามาพิจารณาดูตรงนี้เนี่ยนะเลือดเมื่อเลือดของใครเลือดของหมอรัตพงค์นะเขาดูดออกไปนี่นะเอ๊ะตรงนั้นมันไม่ใช่หมอรัตพงศ์นะ แล้วเขาแยกเป็นธาตุเป็นอะไรเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่หมอแล้วพงแต่ละอันแต่นมันไม่ใช่หมอแล้วพงนะอ่ไม่ใช่อันนั้นเลือดที่ดื่มออกไปแล้วเอาดูเอาไบยาวของเราเอาไบยาวมันประกอบด้วยประกอบด้วยเซลล์ต่างๆใช่ครับเอาเอาตับมาดูเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยโมเลกุลอะไรต่างโมเลกุลแต่เราแยกไปดูแล้วมันก็ประกอบด้วยอะอะตอมต่างๆใช่ไหมลึกลงไปอีกมันก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นตัวเราได้เลยนะใช่ครับเออ่แต่ทําไมพอมันมาอยู่รวมกันแล้วอ้า น, นี่เป็นตัวฉันขึ้นมาเป็นมอต้นฟงขึ้นมาอืมเราสมมุติขึ้นเออเกิดความอันนี้นะ <c oughs> เป็นความ <c oughs> เป็นความเข้าใจเป็นปัญหาของระดับพระอารหันนะครับคําถามที่เมื่อถามพระอารหันแล้วเนี่ยพระอารหันจะเข้าใจเข<อ>้าใจไหมเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเลเวลของบารหันต้องภูมิปัญญาระดับพระอารหันใชใช่ใช่ถ <c oughs> ึงจะถึงจะทําความเข้าใจตรงนี้ได้ S <S เรา <ละ S 2> ยกไปก่อนเลยเรื่องนี้เรายอไปก่อนเอาเรากำลังพูดเรื่องความโกรธอยู่นะเรากำลังลพูดเรื่องความโกรธความโกรธเนี่ยเป็นปัญหาระดับพระอนาคามีอ๋อพระอนาคามีเนี่ยที่จะละปฏิฆะแล้วก็ราคะได้เนี่ยเอาปฏิฆะตรงนี้แหละเป็นปัญหาระดับพระอนาคามีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราแก้ปัญหาเรื่องความโกรธมีคนทำอะไรจี๊ดเราจี๊ดขึ้นมาปุ๊บเราวางได้เราเราไม่สนใจนี่คุณแก้ปัญหาระดับพระอนาคามีได้ โอ้ก็ไม่เบานะฮะไม่เบานะหมอละพงศ์อ่าดีที่เดียวแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคําปัญหาระดับพระโสดาบันนิดหนึ่งอ่าปัญหาระดับพระโสดาบันก็คือไอความโกรดนี่มีแน่นอนไม่ต้องพูดถึงคนมาด่ายังจี้อยู่แต่ว่าความเห็นผิดเนี่ยแก้ได้แล้วเช่นว่าเเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อย่างโสดาบันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงยังมีความเห็นอย่างนี้อยู่แล้วคนด่าแล้วยังจี้อยู่อืยังทําไม่ได้ไง อันคร<ช>ับมีทําได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราฝึกจิตของเราให้ให้มากๆขึ้นไปแต่ถ้าคุณฝึกจิตขณะคุณแยกแยะท่าออกมาแล้วไม่เห็นว่านี้เป็นตัวสองชั้นอ่านั่นคุณคุณกําลังผ่านขึ้นไปแก้ปัญหาระดับพระอรหันต์แล้วอืมอันนี้เนาะครับอย่างโสดาบันเนี่ยโกรธโกรธใช่ไหมครับสมมุติโดนด่าหนักๆอ่ะโกรธจี้ขึ้นมาแต่ว่ามไม่ได้ลงไม้ลงมือตอบโต้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ยังอยู่ในมาร์กใช่ไหม ยังอยู่ในศีลเนี่ยยังมีความเห็นว่าเออมันไม่ค่อยเที่ยงหรอกแต่ฉันยังละไม่ได้นะฉันขอด่ามันนิดนึงนี่สระบานอ่าเอ่ส่รบาดแต่ว่าตัวอย่างศีลห้าเนี่ยที่จะไปเบียดเบียนทํำร้ายเนี่ยไม่จะไม่ละเมิดล่ะไม่ละเมิดอ๋อครับออันนี้อันนี้คือคําคือปัญหาระดับพระอนาคามีนี่คือเล่าเล่าให้ฟังครับนะก็คือละวางความโกรธได้ใช่ใแล้วบุคคลที่ ทีแมพพูดดีๆด้วยสมมุติเราบางทีอะอารมณ์มันไม่จอยเหมือนแล้วพงศอารมณ์มันบอดจอยเลยวันนี้เห็นท้องฟ้ากเอืดทําไมท้องฟ้าเป็นอย่างนี้เห็นคลึ่นเออเห็นฝนตกโอ้ยวันนี้ทำไมฝนตกเห็นแดดโอ้ยทําไมวันนี้แดดออกเห็นลถติดโอ้ยทําไมวันนี้ลถติดเห็นลถว่าเอ๊ะมันมันรถว่างว่าวันนี้อย่างเงี้ยนะมันมีแต่ความโกรธเห็นอะไรมันก็โกรธพูดดีๆก็โกรธอะอย่างเี้ว่าโอ้ครับ คนพาเ น, นี่ยเราอ่าใช่ใรครับค น, ค, น ค, นคนพาจริงจคนพาเนี่ยพระรูญเจ้าบอกว่าแม้พูดดีๆก็โกรธอืมประหลาดไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นนั่นคือเราเป็นคนพาครับอย่างถูกน้ำเย็นถูกน้ําร <ok ้อนเนี่ยแล้วมันร้องโอ๊ยน้าร้อนน้ําร้อนมันก็ไม่ไม่ประหลาดเท่าไหร่นะแต่ถูกน้ําเย็นแล้วมัร้อนโอ๊ยน้าน้ำเย็นน้าเย็นโอ๊ยแล้วมันร้องขึ้นว่าเหมือนกับเป็นน้ําร้อนอย่างเงี้ยทันมาว่ามันไม่ไม่ถูกอะไรครับเออเพราะฉะนั้นอ่นจริงจริงเัอเป็นคนพา ครับเพราะนั้นถ้าเราโกรธอยู่เรื่อยเนี่ยนะคุณคุณเป็นคนบานละอืคนผ่านอ่ะเซวนาจะผ่านหนังเราไม่อยากยุ่งกับคนบานเราอย่าไปเป็นคนบ่านครับอันนี้ในในแง่ความถี่นี้กําหนดได้ไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่หนึ่งครั้งสองครั้งหรือว่ามีมีมีเกณฑ์วัดไหมครับท่านไอไอความมากน้อยของความโกรธเนี่ยโอต้องศูนย์นะหมอทงต้องศูนย์วันทั้งวันนี้ควรจะศูนย์เลยไม่โกรธเลยไม่คว ร, รจะโกรธ นี่ก็คือเราพูดถึงการฝึกจิตที่เข้าขั้นของความเป็นนะอินรีชันเลิศนะอินสีชั้นเลิศปล่อยวางอารมณ์ได้ทีนี้มันก็มุ่งไปในแนวทางนั้นไงครับฝึกจบแล้วก็คือว่าไม่โกรธไม่สะดุ้งอะไรทั้งสิ้นอะ่ะใครฟ้าจะผ่าถนนจะแตกฉันก็ยังสบายใจอยู่ได้นี่คืออนาคามีนะครับใช่ใช่ก็คือมุ่งไปในระดับเส้นทางของความเป็นอริยะบุคคลขั้นสูงขึ้นไปครับอื<ป> ที น, นี้ว่าถ้าเรายังมีจิตจัดอยู่บ้างหึ่มหึ่มอยู่บ้างอันนี้ก็คือเราก็ค่อยๆฝึกเอาอแต่ แ, แยกแยะให้ดูว่ามันเป็นปัญหาของใครของใคร อ, อ, อย่างอยังอย่งว่าอย่างคํ า, า, า, าถามของพาอาาระอรหันเนี่ยเอยาไว้ทำไมแยกธาตุแล้วแล้ ว, ลวเ อ, อมันมันก็มีเหตุผลนะแต่ว่าคุณมีความเห็นระดับพระโสดบันแล้วนะคุณคุณผ่านแล้วนะมีความเห็นระดับพระโสดบันแล้วแต่พอรวมกันแล้วทําไมมันยังเป็นตัวเราอยู่นะคุณยังไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมก็คุณยังแก้ปัญหาระดับพระอรหันไม่ได้ อือเอาอย่างยกตัวอย่างนะหมอรัมพงมีคนคเขาบอกมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกอ่ะพระราชาเอาหนึ่งฟังเสียงสังปูนี่มาบโอ้โหมันพร้อยจริงนะเสียงสังนี่ครับก็เลยให้ในายช่างนี่เขาไปหาสั่งมาเ้าก็ได้สั่งมาอันหนึ่งอ่ะทำไมไม่มีเสียงอ่ะเขาก็พยายามที่จะแยกแยกมันออกมาตรงเคาะตรงนี้ไม่มันก็ไม่ใช่นะี่คือเขาทําไม่เป็นอนะ่ะทําให้เสียงมันไม่ออกมาจากสัง อือ่าครับหรือมีคนบอกว่าอา้าวคุณเอาไม้สองอันนี้แล้วไฟจะเกิดขึ้นเอามาแตะแตะกันเอา้ามันก็ไม่เกิดไฟฮมันไม่ได้สีกันเออไม่ได้สีกันเขาไม่รู้วิธีการที่ทำให้เกิดขึ้นมาอย่างกล้ของเราเนี่นะหมอแล้วผมออย่างหลอดไฟอะ่ะก็ไปไอเปลวไฟเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบสามอย่างนะนะ ค, คือออกซิเจนฟลอแล้วก็ตัวความร้อนฮีทสามอย่างความร้อน ตัวเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจน3อย่างนี้จะรวมกันให้เปิดเกิดเปลวไฟได้ครับนะทีนี้การที่มันต่อเนื่องได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเชน i รี e a ชันเชนรียชันซึ่งมันทำให้เกิดเป็นตัวไฟขึ้นมาแต่ถ้าแยกกันออกเมื่อไหร่นั่นคือจบเลยไฟหายดับไปทันทีเอาความร้อนออกไฟหายดับดับไปทันทีเอาออกซิเจนออกบุกไฟดับทันทีครับนะทีนี้กระบวนการที่ทาให้เรามาเป็นตัวคนได้ กระบวนการที่เราไดมาเป็นตัวคนได้มารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตัวฉันนะพระเจ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอ๋อครับคือมันไม่ใช่แค่เชือเ้อเพลิงออกซิเจนแล้วก็ความร้อนแค่สามองค์ประกอบไม่ใช่นี่คือตัว <c rap> ของไฟใช่อยู่แต่ของการมายึดถือด้วยเย้นี่มันตัวฉันนะมันสิบอาการนู่นนะครับสิบออย่างนั้นนะ่ะวาขึ้นมาวาบหนึ่งนี่คุณเป็นตัวคนนหน่อย S <S อพอ ม, มีอวิชชาไล่ใบสังขารวิญญาณนารูปพโอ้โหสิปัญญาเนี่ยมารวมกันจะไม่รู้สึกฉันว่านี่เป็นตัวฉันไงที น, นี้ตรงเนี้เป็นปัญหาระดับที่สูงขึ้นไปนะเราก็ค่อยๆแก้ไปตามลำดับแก้ไปตามลําดับน ะ, บะเราพูดถึงเรื่องความโกรยู่นะเป็นก็เรียก ว, ว่าปัญหาระดับที่พระอนาคามีจะต้องแก้ได้ครับแก้ได้เนี่ยคือหมายว่าเป็นเป็นเป็นความที่พระอนาคามีจะต้อง อ่าคอยจะมาทดสอบตัวเองมีเรื่องที่จะมาทดสอบในระดับนี้อยู่เรื่อยๆอ๋ อ, อรครับอืมอืมอออันนี้เป็นเกณฑ์วัดที่ชเรียกว่ามีมีอยู่ก็ก็ถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นไปตามพระวัชนะไหมนะก็พระพุทธเจ้าพูดถึงพระนาคามีเนี่ยรับสัญญอดั่งต่ำห้าอย่างได้ใช่ไหมใช่ับทเนี่ยมรโสดบันก็คือปฏิกะกัราคะปฏิกะก็จะอยู่ตรงนี้อืมปฏิกะใช่ครับส่วนอรหันตเนี่ยก็จะพวกพวกมานะ พวกนี้ก็จะต้องระดับที่เรียกว่าแยกธาตุตัวตนออกไปอย่างนี้เนาะครับอออที่บูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตอนที่แล้วหรือแม้แต่ตอนที่หนึ่งก็ตามเนี่ยหมอเนรพงศ์ครับผมอันนี้เป็นไงครับเป็นความรู้ของของอาตมาหแปลว่าตัวเรารู้คือคือท่านผูฟังฟังเนี่นะหรือหมอเนรพงศ์ฟังเนี่ยก็คือฟังความรู้ของคนอื่นเราอ่านบุรุษวจนะอย่างเงี้ยเราก็อ่านความรู้ของบุรุษเจ้าใช่ครับคือไม่ใช่ความรู้ของเรา มารู้มากใช่มคือที่เรารู้เนี่ยเราอ่านตำราเราฟังรายการเนี่ยเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ของเราคือเราแค่จำได้เฉยใช่ครับทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาชนคือหมายว่าสมมุติถ้าเราไปรู้อะไรมากๆจำอะไรได้มากๆเนี่ยนะทางโลกเนี่ยนะทางภาษาโลกเนี่ยเขาจะใช้ว่าเออคุณเป็นปัญญาชนนะคุณเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะมีความทรงจำมีความรู้อย่างต่างแต่ตรงนั้นคือแค่รู้ความรู้ของคนอื่นเฉย ใช่ครับกูคุณจําความรู้ของเขาได้เข้าใจไหม <c oughs> แล้วแล้วคือตรงนี้เอาคําของปัญญาเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าใ ช, ใช่ไหม <c oughs> เอาไปใช้ก็ใช้ไม่ถูกนะคือหมายความว่าใช้หมายถึงคนที่รู้แต่พระเจ้ า, าใช้คําว่าวินยูชนเป็นวินยูชนไม่ใช่ปัญญาชนวินยูชนเนี่ยคือรู้ด้วยตัวเองรู้แจ้งไม่ใช่เอาของคนอื่นมารู้หรือจําความรู้ของคนอื่นมาสมมุติถ้าเรา <c oughs> จําความรู้ของคนอื่นได้มากเขาเรียกวปัญญาชนซึ่งคำนี้ก็ จะเรียกว่าคือก็เขาก็ใช้กันนะนะใช่ครับใช้ตัวเองแต่จริงถ้าเรารู้ด้วยตัวของเราเองต้องขึ้นไประดับวินยูชนวินยูชนเยอกว่าคือรู้ในตัวเองเพราะฉะนั้นสมมุติต่านผฟังบอกว่าเอออกลัวนะเฮ้ยมันฟังแล้วมันยังไม่เข้าใจอ้าวก็คุณฟังความรู้ของคนอื่นหรือว่าคุณเข้าใจอยู่แต่ว่ายังนึกถึงเรเลตเชื่อมโยงกับตัวของเราเองไม่ได้ อันนั้นคุณก็ยังแค่ฟังจำความรู้ของรนอื่นอยู่อย่างพระเจ้าพูดเรื่องเอาเรื่อยมาเรื่อยตัวเองอ่ะเรื่อยตัวเราโจรน่ะโจรมาเรื่อยตัวของเธอเธออยโกรธนะโอ้โหเราฟังแล้วก็แม่พระเจ้านี้ดีจริงนะสอนให้เป็นงี้แต่อันั้นน่ะคือความรู้ของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้ของเราอ๋อระดับสัมมาสัมพุทธะอ่าคือเราจำความรู้ของพระเจ้ามาแต่ถ้าเรื่องนี้ก็คือเราคุณจะทรงจริงเราได้ไหม ต่อเมื่อต่อเมื่อต่อเมื่อ ค, คุณทรงจิตอย่างนั้นได้นั่นจะเป็นความรู้ของคุณเองรู้แจ้งด้วยตัวเองนั่นคือวินยูชนเราดาเราวัวับวับวบขึ้นมาเราวางได้นั่นคือความรู้ของตัวเองคุณวางได้ด้วยกุศโลบายอะไรแม่นั่นดีมากเลยนะเหรอฟงเข้าใจไหมเข้าใจครับอันนี้เรากจึงเป็นวินยูชนได้ด้วยเห็นนี้วินยูชน ผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมันยามีสัญชาติคนตรงเมื่อเราบอกสอนอยู่พร่ำสอนอยู่สแสดงทําอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทําให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ไม่เกิน7วันโอ้เราเป็นอินทรีย์ขั้นสูงนะครับเนี่ยก็คือต้องเป็นวินยูชนไงใช่ครับวินยูชนเนี่ยวินยูอย่างพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้วินยูหิติอือมพอไปธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะของวินยูหิติคือรู้ด้วยได้ด้วยเฉบาะตน อืมใช่ครับเพราะนั้นเรากําลังแยกศัพท์อย่างที่อาตมาเคยพูดถึงปริยะ ท, ที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยนะครับอ่าเราก็เราเคยพูดถึงว่าไอ้คุณแค่จําเริยสัตว์สีได้ไม่ใช่ว่ารู้อะไรสัตว์สจริงเนื้อรู้เอสัตวจริงอ่ะก็คือรู้ได้ด้วยการปฏิบัติตรงเนี้ยเป็นบทเพียรชนะที่ถูกต้องด้วยการที่เอรู้คือวินยจุจำได้คือคุณมีปัญญาเฉยจําความรู้ของคนอื่นเข้ามาอืมนายคุณจำความรู้ของคนอื่นเข้ามาที่อ่านตําราก็ตาม ฟังราการวิทยุก็ตามนะฟังพอดแคสต์นี่อยู่ก็ตามจนกระทั่งคุณมาเป็นความรู้ของตัวเองนั่นคุณจึงเรียกว่าเป็นวินยูชนอเอามาปฏิบัติได้เองเลยใช่คือเราก็พยายามจะศึกษานะศึกษาเพื่อที่ให้เป็นปัญญาชนชความรู้มากขึ้นศึกษาในศีลขบทตั้งหลายทำอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยกลายเป็นวินยูชนได้เป็นขั้นเป็นขั้นไปออย่างปุตุชนคนธรรมดาก็จะต้องสัตยดับตรับฟัง ธรรมะก่อนใช่เป็นปัญญาชนก่อนใช่ลักษณะของปัญญาชนเนี่ยคือปุตุชนที่ได้สดับอืมครับอ่าทีนี้ปุตุชนที่ได้สดับมีสมาธิที่นะคุณพอที่จะเป็นวินยูชนได้ครับอ่าออย่างนี้และแต่ถ้ากรณีของอย่างที่เราได้ยินว่าปัดเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังท่านก็ได้ของท่านเองใช่เป็นมีวินยูขึ้นมาได้ครับรู้ได้เฉพาะตนได้ อย่างเนี้ยอย่างอ ย, ากกอย่างกรณีเนี้ยเห็นชัดเจนอปัญหาของพระอนาคามีเราพูดถึงเรื่องความโกรธปัญ<ช>หาของพระสวดดบบานเราพูดถึงเรื่องความเห็นใช่ไหมที่ถูกหรือที่ผิดคครับอําปัญหาของพระนาคามีคือเรื่องความโกรธเรื่องของความรักความชอบใจนะปัญหาของพระอาจารคือการที่เป็นตัวตนนะปัญหาของปเจกพุทธเจ้าคืออะไรต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นสอนอย่างพระอาจารเนี่ยยังมีคนอื่นสอน แช่ครับแต่คุณไม่เห็นตัวมเห็นความไม่มีตัวตนได้นะทีนี้พระปเจคุติยาคืออะไรเห็นความไม่มีตัวตนด้วยปัญหาของท่านนี่คือต้องรู้ด้วยตัวเองครับเข้าใจไหมปัญหาของสมารถสมุทชาคืออะไรนอกจากรู้ตัวตัวเองแล้วเนี่ยต้องเห็นความเป็นตัวตนด้วยแล้วยังต้องคิดบทเพี่ยนชนะอะไรต่างมาสอนคนหนึ่งคนสอนยากๆทาไงคนชงคําถามมาสามทำยังไงโอ้โหพวกนี้บ้านหลานบางทีตอบไม่ได้เลยงงไปเลยครับไม่ต้องพูดถึงบ้านหลานปเจคุติยาก็ทำไม่ได้ ต้องส ม, มาสัมพุทธะเท่านั้นอืมนี่คือเป็นปัญหาระดับส ม, มาสัมพุทธะไงครับต้องสอนคนอื่นแย่งแยะธรรมะแบ่งเป็นธรรมเป็นวินัยมีการบัญญัติพวกนี้ระดับส ม, มาสัมพุทธะ ร, ระดับนั้นเป็นปัญหาของท่านซึ่งพระไตรบุตรก็ก็ไม่ได้ทําได้ด้วยซ้นในหลายๆมอืมเป็นอัครษสาวกแต่ไม่ได้เป็นส ม, มาสัมพุทธะใช่ซึ่งอังครสาวกก็ ด้วยความที่มีศีลสมาธิปัญญาที่เลิศ ก, กว่าสาวกธรรมดาใช่ไหมใช่ครับอแต่คือถ้าพูดถึงวีมุตเนี่ยเสมอกันน่ะเสมอที่วีมุตแต่<ช>ว <ะ S 1> ่าก็จะมีปัญหาที่ท่านทําได้เท่านั้นอืมอย่างเนี้ย น, นะครับอ่อย่างพูดถึงความมโนธรรมตนการระลึกถึงวุ่นคุณความกตัญญูกตเวตทิตาซึ่งแหมพระพุทธเจ้ายอมย่องท่านภาษารีบุตรมากอยู่แล้วในกรณีนี้ครับอื ม, อมโอเคอ่า ก็มีคําน่าวของท่านผู้ฟังวันนี้นนนมีมคําถามใช่ครับคําถามของท่านแรกคื อ, อท่านคุณประโมทพันมณีครับฝากไว้หลายสัปดาห์แล้วครับคือเป็นพระสูตรตอนหนึ่งของพระสูตรที่กล่าวว่าการฉลาดในวาระจิตฉลาดในการโคจรของสมาธิคืออะไรครับเอาพูดถึงการฉลาดในวาระจิตแห่งตนซะกอ่อนนะพุทธเจ้าพูดไว้ในถ้าไปดูในพระสูตรก็ได้นะในอริยสัจพระโอษฐ พักปลายหนะ้าหนะึ่งพูดถึงการฉลาดในวรตสิทธิ์แห่งตนนะเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยที่เขาเมื่อตอนวัยรุ่นเนี่ยนะสิวเริ่มขึ้นเนี่ยเ ข, เขาจะกระจกมาส่องหน้าอยู่เรื่อยสิวชันขึ้นหรือ ย, ยงังขึ้นกี่เม็ดตรงนี้บีบออกมาแล้วมันบป็นอกไหมสีเป็นอะไรเป็นหนองหรือเปล่าแล้วก็พยายามส่องดูหน้าของตัวเองนะก็คือเหมือนกันเราต้องคอยสอดส่องดูแลจิตของเรานะนี่คือในยะที่1นะว่าเป็นคนมีอภิชาหรือไม่มีอภิชาคือความเพ่งเล็งเนี่ยนะ <uk> <ri> มีจิตปิบัติหรือไม่พยาบาทมีความง่วงเหงารอนอนหรือไม่มีมีความฟุง้งซ่านไหมมีความเกื่องแพงไหมมีความมักโกรธหรือเปล่านี่ความมักโกรธนะที่เราพูดถึงกัน <ừ> um, อะไรก็รจีจัดเรื่อยเหมือนแผลกัดหนองอะ่ะโดนนิดหน่อยก็ <ừ> um, อเจ็บเหลือประมาณเจ็บเกินประมาณหนองก็ไหลออกมากเกินประมาณนะีอย่าไปตูนมันเลยบางคนเนี่ย <ừ> um. แหมทําตัวเหมือนกับแผลกัดหนองแต่มีหลายคนเลยหมอรัตพงศ์ภรรยายรมาปฏิบัติธรรม สามีก็ไม่เห็นด้วยนะก็จีบขึ้นมาอะไรขึ้นมาอ่าทีนี้พอชวนสามีมาปฏิบัติถ้าสามีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะจากความที่เป็นลักษณะของคนแผลกัดหนองเนี่ยกลายเป็นคนที่อดีขึ้นมาออออืืดีได้ด้วยการฝึกตนนะครับใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องคอยมาสอดส่องดูแลจิตของตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นคนมักโกรธไหมหรือเป็นคนไม่มักโกรธหรือมักโกรธเฉพาะกับคนนี้คนอื่นเราไม่เป็นเวลาคนนี้ทําอย่างที่ว่าเนี่ย ถ้านิดๆหน่อยๆเราจะยิ้มากเลยแต่ถ้าเราเริ่มเจ็บมากขึ้นเราก็จะจิ้มน้อยลงเราต้องรักษาจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นนะครับ เ, ออเรามีชีวิตยอยู่โดยมากเศร้ามองไม่เศ้ามองมีการเคริดคัดไมนะ้หรือเป็นคนจิตคลายหรือเปล่ามีจิตตั้งมั่นหรือเปล่านะถ้าเป็นโอ้เราต้องรีบแก้ไข น, น, นี่คือสอ่องหน้าดูกระจกตัวเองแต่ถ้าไม่เป็ น, นก็พึงอยู่ด้วยปิติประมดอันนี้ข้อที่1นนินนยามที่1 การฉลาดในวรริทธิ์แห่งตนเนี่ยพระเจ้าอาศัยเหตุปัจจัยที่ว่าถ้าเธอไม่ฉลาดในวรรษิทธิ์ผู้อื่นนะคื อ, อถ้าเธอไม่ฉลาดในวรริตธิผู้อื่นแล้วไซส์เนี่ยพึงรีบทําเลยเธอต้องรู้รวรรษิทธิ์ตัวเองจะไปเที่ยวหาวิธีการที่ทำไงให้ฉันรู้รวรริตรคนอื่นอ่านใจคนอื่ น, นได้ไอ้คุณยังอ่านใจคนอื่นไม่ได้นะอีะคุณยิ่งต้องรีบอ่านใจตัวเองอบางคนแหมก็อย่างที่ว่าบางบางทีไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ามีนาทีหนึ่งกิดเกี่ยวเรื่อง หรือว่าระหว่างที่เดินบางนี้คุณคิดเรื่องอะไรบ้างถามดูว่าไม่ได้คิดลไล่ไว้ได้มาเอาคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราในยะที่สองพระเจ้าให้สอบส่องดูแลววิวปัสสนากับสมถะในจิตของเราเนี่ยมันสมดุลกันไหมมันสมดุลกันไหมครับนะบางทีเรามีวิปัสสนามากเกินไปคิดนั่นพิจารณานี้เอากลายเป็นความฟุง้งซ่านบางทีเรามีความสมถะมากเกินไปแน่แนแนิ่งอยู่เอากลายเป็นความเกียดคร้าน เงี้ยเราต้องคอยสอนดูแลคอยปรับคอยอขประคบประคองให้ให้เหมือนเสมอๆกันใช่พระเจ้าเปรียบเทียบกับการที่คุณเอาภาชนะบาตรเนี่ยภาชนะอันหนึ่งมาใส่น้ํามันให้เต็มปรีเลยหรือว่าถ้าใครต้องการฝึกก็ได้นะคุณนั่งสมาธิอยู่เงี้ยเอาแก้วน้ําเต็มปรีมาแก้วหนึ่งมาไว้ข้างหน้าแล้วคุณยกจับจับด้วยมือสองมือนะแล้วพยายามที่จะยกแก้วน้ํานี้ขึ้นโดยไม่ให้มันหก แล้วก็ยืนขึ้นเดินไปห้องน้ำไปที่รุนที่นี่โอยเราต้องระวังอย่างมากลุกขึ้นช้าๆคอยประคองแก้วทรงตัวให้ดีนะมีที่จับยืดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้น้ำในแก้วเนี่ยรักษ า, าไว้ให้ดีเลยนะเช่นเดียวกันหมอหลงจิตของเราเนี่ยนะเราจะเป็นผู้ที่ฉลาดในพระ่องเสียงตัวเนี่ยเราต้องคอยดูจิตรักษาประคับประคองวุ่นจะลุกจะนั่งต้องระวังนะว่าอจิตของเราสภาวะตอนนี้เป็นยังไง ว, ว่าตรงนี้เป็นยังไงมันยังดีอยู่ไหมวิปัสสนาสมาถะสมดุลกันไหมเราต้องคอยประคับประคองประคประบประงมดูแลรักษาเอาชีวิ ย, ย่างดีทีเดียวครับอย่างนี้นะ<ม>อ่านี่คือเรื่องของการเป<ว>็นผู้ฉล<ว>าดในวารจิต ว, วาระกิจครับอ่าข้อต่อไปคือโคจรฉลาดในการโคจรของสมาธิหมอท่านพงศ์ว่าอะไรเป็นที่โคจรของสมาธิอือ มันตอบได้สองนัยยะนะตอบไดสองนัยยะในยะแรกถ้าพูดถึงที่โคจรพระเจ้าบอกว่าเธออย่าไปโคจรในนอกที่ที่เป็นที่ของศาสนาตนเอสตินี่แหละถูกต้องสตินี่แหละจะทําให้เกิดสมาธิพระเจ้าพูดถึงสมาสติถ้าบุคคลเจริญะทําไมมากแล้วสมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นที่โคจรอ้าวสอดคล้องกันเลยสมาสมาธิอสมาสติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ให้ให้เราอยู่ในโคจรนี้ <c oughs> นะไม่ไปที่อะโคจรที่อโคจรคืออะไรนัยยะที่หนึ่งนี่นะเรากำลังพูดถึงที่ที่ไม่ใช่สติปัฏฐานส <c oughs> นะี่ครับน่าคุณจะไปป่าไหนเขาไหนนะ่าถ้าคุณยังจิตของคุณยังมีสติปัฏฐานสี่ไม่มีปัอหา <c oughs> นะแต่ถ้าคุณยังอยู่กับที่อยู่กับวัดนี่แหละไม่ได้ไปเดินทางไปไหนกินข้าวเสร็จมาใหม่ๆ <c oughs> แต่จิตคุณไม่มีสติปัฏฐานสี่คุณออกจากนอกที่โคจรละ <c oughs> โอวัดกันที่จิตถูกต้องอันนี้นัยยะที่หนึ่ง <c oughs> หรือในยะที่สองที่พี่เจ้าคยเคยพูดไว้ก็คือสถานที่จริงๆอะนะนะเช่นบ้านสำนักของนางโสพินีอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปเป็นที่อโคจรที่ที่เขามีการเล่นเป็นที่อโคจรที่ที่เขามีการทำไม่ดีมีอกุศลทําเกิดขึ้นบ้านของคนที่ไม่ศรัทธาอันนี้อย่าไปบ้านของคนพาลอย่าไปหรือว่าพวก สถานที่เลนการพนานอย่าไปนะตับช่องซอยในวลากลางคืนอย่าไปอืที่เปลี่ยวที่อะไรอืมจะเป็นที่อะโคจรนนี่คือในยาที่สองข้างนอกอยู่บเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรของสมาธิฟังให้ดีนะฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรของสมาธิคือคุณไปที่นั่นแล้วออกง่ายๆจิตคุณจะไม่แตกครจิตคุณจะไม่แตกสมมติเราไปดูหนังหรือเราไปเที่ยวเล่นในสถานที่ที่เป็น แหล่งบันเทิงนั่นถิ่นของราบันที่ตทแตกได้นะแต่เนี่ยหมายถึงว่ากระเจิดกระเจิงไปตามสิ่งที่ม า, าสัมผัสนะถ้ามันกระเจิดกระเจิงไปตามสิ่งที่มาสัมผัสเนี่ยที่นั่นเป็นที่อโคจรแล้วคุณคุณคุณคนเพนอาจจะไม่ใช่ที่ที่ว่าเป็นเทคดิสโก้บาร์เอาแค่บ้านคนบางคนนะ่ะมีแต่คนพันรุมสมหัวกันอยู่ครับด่าคนนั้นด่าคนนี้นินทาคนนั้นพูดเรื่องไม่เดียองคนนี้พูดสับสอบ้อนพูดยุ่งให้แตกกันพูดแล้วมันก็หนักใจยุ่งใจเป็นเรื่องที่ กังวลเฮ้ยที่เนี่ยมันอ่ะโครจร น, นี่ว่ะรีบ เ, บบเ็นเลยรีบเ็นเลยอ่าบนที่มันก็อยู่ที่ก็ที่คนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะอืมใช่ครับตัดตัวคนเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเริ่มหลุดออกจากฐานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกื้อกูลกันอ่ะว่าเราคุณเป็นผู้ชารในวัจิตตัวเองไหมจิตก็เพิ่มนิดนึงจิตมีความหลุดออกไปนิดนึงเรารู้ตัวละเฮ้ยเราต้องรีบแก้ไขละ ครับเนาะให้ไปอยู่ในที่ที่เป็นโคจรของสมาธิอืมครับก็คือสัมมาสมาธิสมาสติอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นคือในยะที่หนึ่งนัคือที่ที่เป็นโคจรในยะที่สองคือตัวสถานที่จริงจตัวสถานที่ครโลเคชันจริงๆรนะที่เราจับต้องได้นี่ก็มีเหมือนกันอืมอันนี้คือคืออัรมาตีความนะเพราะว่าเราทําสิ่งที่เธอยังไม่ได้ฟังเนี่ยหรือได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งนะให้แจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ของสมณะนะ ที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมเราก็ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจมแจ้งแล้วก็บอกทางสวรค์ให้อยังไงนะเป็นสามในหกหน้าที่ของสมณะครับ อ, อ, อ่ะทีนี้มีคำถามต่อไปไหมคุณหมอรัตพงศ์ครับมีอ่าคุณมาค์คานุ ค, คาถามว่าความหมายของอาสวะครับโออาสวะนี้ถ้าไปเปิดพจนานุกรมเลยนะก็จะมาเรื่องนอนเนื่องอพจนานุกรมแต่ละเล่มอาจจะแปลเหมือนกันนะนะ นอนเนื่องเครื่องดองสันดานของหมักดองนะรักษามันก็จะมาลักษณะของกะของหมักดองเช่นของที่หมักดองอ่ะทับถมทับถมทับถมกันลงไปเนี่ยเหมือนกับบึงบึงหนึ่งนะใบไม้ตกลงไปตกลงไปชั้นหนึ่งชั้นสองใบไม้มันก็พอมันเริ่มชุ่มเก็บน้ําต็มที่มันก็ตกลงสู่ก้นบึงใช่ไหมก้นบึงเสร็จปุ๊บใบใหม่ตกลงมาอีกชุบน้ำเต็มที่มันก็ตกลงสู่ก้นบึงตกไปตกไปมันก็ทับถมทับถมทับถมทับถมทับถม มาตรงนี้ที่ทับถมทับถมเนี่ยคืออาสวะอ๋อค่ะแล้วต่างจากกิเลสยังไงครับท่านกิเลส อ, อสวะกิเลสเนี่ยมันเกิดเฉพาะเวลาที่มีอะไรมากระทบแต่อสวะ<อ>เนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อนอนเนื่องอยู่ใช่กิเลสเนี่ยมันมันอาจจะหายไปได้เกิดขึ้นได้แต่อสวะนี่มีอยู่ตลอดอยู่แล้ว อ, อย่างสมมติเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะจิตสว่ า, วางไม่คิดเรื่องอะไรเลยน่คุณไม่มีกิเลสอนะ เป็นสมภาวะที่ไม่มีกิเลสแต่อสวกยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่<ม>อือวิชชายังมีอยู่ไหมมีอยู่ตัณหาไม่อยู่ไหมมีอยู่รักขะโทสะโมหละล่ะไม่มีแล้ว<ม>อันนี้อันนี้พู้รเจ้าตัดเองนะตัดตรงไหนตัดตอนที่จบชั้นสี่หรือจบชั้นหนึ่งก็ได้ไหนะเมื่อจิตของเธอเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่ ก, การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวัน่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อ อ, อาสวกขยายาอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจิตในสมาธิ พระเาตรัสไว้ชัดเจนไม่มีกิเลสปราศจากอุปอกิเลสเอาแต่ทำไมยังมไม่บรรลุเป็บารันก็ยังมีอวิชชาอยู่ไงครับอ่ายังมียังมีอวิชชายังมีตัณหาดึงอยู่ไงอืมมันซ่อน ร, รูปอยู่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ครับอ๋อแต่แต่กิเลสเราเห็นหมายความว่าเห็นเห็นนี่คือต้องมีสตินะถึงจะเห็นครับอย่างอวิชชานี้อยู่ในเป็นเป็นอาสวะชนิดหนึ่งไหมครับท่าน อวิชาคืออวิชาอ๋อไม่ใช่อสวะใช่ไหมครับอาวิชาเนี่ยทําให้เกิดอาสวะทําไมอาจมาพูดอย่างนี้พุทธวจนะมีไหมก็คืออวิชานี่นะอวิชาเป็นอสวะอย่างหนึ่งขบวนการพูดถึงอวิชาสวะปฏิฆะสวะแล้วก็ปฏิฆานุสัยอสวะนุสัยแล้วก็ราคานุใสอ๋อครับมีสาวอนุสัยตรงนี้อืคือเวลาที่เราตอบสนองอะไรด้วยอํานาจของกิเลสฝั่งอีกครั้งหนึ่งนะ เราตอบสนองอะไรด้วยอำนาจของกิเลสอันนั้นจะสร้างอนุสัยเช่นพุทธเจ้ายกตัวอย่างคุณเจออะไรที่ชอบชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นโทษของความสุขของเวทนานั้นแต่รุ่มหลงไปตามอาการที่รุ่มหลงไปตามเนี่ยปฏิฆานุสัยออขอไปราคะนุสัยก็เกิดขึ้นราคะอนุสัยครับใช่เวลาเกลียดกิเลสไม่ชอบจริงๆเลยไม่ชอบโกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาแล้วตอบสนองออกไปด้วยอารมณ์นั้นปฏิฆานุสัยก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไร คุณไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงคุณไม่มีอุบายในการปล่อยออกซึ่งทุกขเวทนาตอบสนองไปทั้งที่มีทุกขเวทนาอยู่นะด้วยอํานาจนั้นก็ทําให้คุณมีปฏิกะนุสัยแล้วพอเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆคุณไม่เห็นว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงของอัตุกรมสุขเวทนานะหรือไม่ได้จัดพิจารณาไม่ทําอโยนิโสมณิสกิไม่ทําโยนิโสมณิการในะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืค อ, อวิชานุสัยบือบ้อๆอยู่นั่นแหละ ครับเนาะก็เป็นสามอนุสัยที่ต้องละนะครับอใช่อนุสัยเนี่ยจะเป็นตัวที่เวลามีอะไรมากระทบแล้วเราก็ตอบสนองคือเหมือนกับแพทเทิร์นในชีวิตอ่ะอืมครับอย่างสมมติเราฝึกที่จะทําสิ่งนี้มากๆนะเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บเราก็จะทําตอบออกไปเลยอย่างเช่นนักวิงปองอย่างเงี้ยนักปิงปองเขาฝึกอยู่ท่าเดียวเนี่ยตบตๆตบๆบตบตจนกระทั่งมันชํานาญมากเลยรูปไม้ตบทั่วรูปไม้ตบทั่วเนี่ย คือคมันเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของเขาไปแล้วอืมใช่ครับเหมือนอมเอโตมติกเลยมช่ันี่ปุ๊บโพะทันทีอย่างเงี้ยเป็นเป็นความที่เขาชำนาญมากนะเพราะเขาฝึกซ้ำฝึกย้ำฝึกอยู่เรื่อยเหมือนเป็นเครื่องนองเนื่องไปะละอืมอแล้วอย่างอานุใสยอนุใสยกับอาสวะนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมครับเออมันก็จะเป็นคำที่คล้ายๆกันใกล้ใกล้กันใช่ไหมครับก็ถ้าจะไปดูใน เพราะอนุกรมเนี่ยคําแปลออกมาก็จะทํานองเดียวกันนะคือเครื่องนอนเนื่องอนุสัยเครื่องของหมักหมมพวกนี้ครับเป็นคำคำที่เป็นแนวแนวเดียวกัน อ, อืแต่ไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวใช่ไหมครับก็โดยบทพ ย, ยัญชนะไม่เหมือนกันทีเดียวถูกต้องอืมครับอ๋อไม่เรียกว่านิวาอาสวะเนี่ยลึกกว่าแบบอยู่ในแบบชั้นลึกเอจะอธิบายยังไนก็ไม่ได้หรอกมาลพงศเพราะว่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้คนละโอกาส อาจจะมีความไม่เหมือนกันอยู่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับจะพูดอย่างงี้ได้ไหมัหนก็บางทีอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมยกตัวอย่างเพิ่มเติมอาจจะทําให้เข้าใจกันได้มากขึ้นก็ต้องในโอกาสต่อไปนะในเรื่องนี้ครับครับครับอถ้างั้นวันนี้เราได้พูดเรื่องอะไรในในในในบ้า ง, างนะทุกคนก็เรื่องของความโกรธ ค, ความโกรธเรารไล่ลําดับมาลนะว่าเราควรจะทําจิตยังไงจากหนักมาเบาจากเบากลับไปหนักเนาะว่าเราควรทําจิตอย่างนี้ วิธีที่จะดับความโกรธใช่ครับครนะเราก็ได้พูดถึงปัญหาสําหรับพระอนาคามีระดับพระอนาคามีก็คือความโกรธนั่นเองครับนะครับแล้วพูดมาถึงโลภะครับอ่แล้วก็ได้เปรียบเทียบกับระหว่างโลภะด้วยเปรียบเทียบระหว่าโมหะด้วยครับแล้วก็ได้พูดถึงปัญหาของพระอรหันต์ด้วยนะปัญหาของพระโสดาบันด้วยอืมครับที่ที่เราไม่ได้พูดถึงพระสกทาคามีก็เพราะว่าสกทาคามีกับ อ่าผสมบัณฑก็เหมือนกันครับต่างกันตรงที่ว่าราคาโทวสามโมหะน้อยลงสักนั้นเองครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของวินยุชนนะครับนี่นนเป็นประเด็นที่คิดว่ามาว่าน่าสนใจมากไม่ใช่แค่ปัญญาชนแต่คุณต้องทําตัวเองให้เป็นวินยุชนครับยกระดับขึ้นมาอีกใช่ไม่ใช่แค่ปุตุชนผู้ได้สดับต้องเป็นอริยะบุคคลที่ปฏิบัติแล้วรู้แจ้งแล้วนะครับแ ล, แล้วก็ตอบคําถามของคุณปราโมทนะครับเรื่องของ การฉลาดในวาลจิตแล้กลับที่โคจรของสมาธิครับอันนี้ก็ครับและสุดท้ายก็ตอบเรื่องของอาสวะสะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้คุยไปหลายเรื่องแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาเพราะฉนั้นก็พบกันใหม่ในตอนหน้าคุณบัรพงศ์ครับกลับนักการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีครับสาธุครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ